นางวิสาขามิคารามันดาตำหนิพระอุทายีแม้ครั้งที่สองนางวิสาขามิคารามันดาได้รับเชิญไปสู่ตระกูลนั้นได้เห็นท่านพระอุทายีนั่งในที่รับกับหญิงสาวสองต่อสองจึงกล่าวกับท่านพระอุทายีว่าพระคุณเจ้าการที่ท่านนั่งในที่รับกับหญิงสาวเช่นนี้ไม่เหมาะสมไม่สมควรท่านไม่ปรารถนาเมตถุนก็จริงถึงอย่างนั้นชาวบ้านที่ยังไม่เลื่อมใสก็จะทำให้เชื่อยาก ท่านพระอาาุทายีถูกนางวิสาขาว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่เชื่อนางวิสาขาจึงออกไปบอกเรื่องนั้นให้พิสูจทั้งหลายทราบบรรดาภิสูุผู้มากน้อยพากันตำหนิพระนามโพลธนาว่าฉะนั้นท่านพระอทายีจึงนั่งในที่ลับกับยีสาวสองต่อสองเล่ากั้นพิกูจทั้งหลายตำหนิท่านพระอาาุทายีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ